หมวดที่5ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีก3รูปคือ 1. รูปหนึ่งมีศีลวิบัติในอธิศีลสองรูปหนึ่งมีอาจารยวิบัติในอัชฌาจารย์ 3. รูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย